ไปตุกินก็ไหว้เาจา้าก็จะไปไหว้เจ้ า, านะวันนั้นรู้สึกว่าชุกลงหกพอสมควรลูกหลานแล้วก็พระทั้งหมดวันนี้ของพวกเรา28รูปเนน1รูปลงมาฉัน20รูปงดฉัน5รูปไปตรวจสุขภาพ1รูปพาสุนัขไปหาหม อ, อ, อ2รูปปุณนะ รายงานคือหมาหมาก็ป่วยเหมือนกันนะหมานี่แปลกหมาอไอ้แบหมาไอ้แบมันป่วยเป็นอะไรเชื้อโรคในหัวใจเฮียพยาธิในหัวใจพรานะน่ะมันบมแรรมนรัศนาเนะ่พยาธิมันกินออกหัวใจหมาเพรานะน่ะก็เลยอาการหนักพอสมควร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 ไอ้แบมันมีโชควาสนาอย่างนี้วะหลวงพ่อก็เลยรับเลยจากนั้นก็ได้ส่งไปมู๊กมนันรู้สึกว่าอาการหนักพอสมควรนะหมอส้มอยู่ทั้งนี้เอาไม่ไหวละก็เลยส่งไปให้หมอค้อนแก่นหมอก็เลยเจาะน้ำออกโอ้หตั้งหลายลิตรนะน้อน้ำอยู่ในท้องหมาจากนั้นก็ไปสองสามครั้งดีขึ้นต่อมากูบาก็ชราใจอีกเลง ไม่พาไปไปข้าวมาหลวงพ่อเห็นไหวหมาทําไมมันท้องกําลังจะใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยวะก็เลยบอกกับหมอทางโน้นอีกหมอเขาบอกให้เขาไปหาหมอเขาอีกนะแต่เฉพาะค่ า, ายาเนี่ยนะค่าหมอค่ารักษาเนี่ยยังไม่นับคราวนี้นะนับครั้งก่อนนะ่ะเฉพาะ อ, อย่างเดียวหมดไปสี่หมื่นกว่าบาทนะค่าหมอนะอแต่เขาก็ไม่คิดเงินหรอกเขาคิด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 หมามันก็มีควานเหมือนกันนะถ้าองค์ไหนไม่รู้ไม่เคยคุ้นเชื่องมันมันก็เฮ่เฮ่เหมือนกันนะอถ้าหากว่าคนไหนอรู้จักมักคุ้นมันเนี่ยทำยังไงมันก็เฉยยอนหมดพราะมันกับกูบารเนี่ยหมากับกูบารเป็นเสี่ยวกันเหมือนกันเลอเข้ากันได้ ไอ้ตัวไหนคนไหนเข้าไม่ได้ไม่เป็นเสียวกับมันมันเหอเหอะนะมันขู่เหมือนกันนะมันไม่อยากจะเป็นเสี่ยวกับคูบาองค์ที่ไม่คุ้นเชื่องกับมันะเมื่อไปเมื่อเช้าเนี่ยไปไปขนแกนแล้วก็วันนี้หลวงพ่อคงจะไปสกลนครวันนี้มันจะตอนเที่ยงเที่ยงบ่าย ขปหรอบ64ปีหลวงปู่มั่นวัดสุดทธาวาสจังหวัดสกลนครตามปกติตั้งแต่หลวงปู่มรณภาพมา น, นั่นอะรุ่นเก่าๆรุ่นปู่เทศปู่ฟัน่นหลวงปู่กูปู่กวากระจัดมาขบทุกปีทุกปีแต่พอเป็นบางครั้งคือบางครั้งกูบายจย์ร่อยหลอลงก่อนรู้สึกว่า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 พี่น้องประชาชนจัทวาญาติโยมก็คงจะมืดฟ้ามัวดินมาเหมือนกันน่ะมาจากจากตรวทิศมาจากทางอื่นไกลมาทมบุญครบรอบสมปีนะหลงตาจากไปสมปีนะนะพี่น้องลูกหลานในวันพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบวันมรณภาพของท่นานันที่30มสกราห้าเจสปีแลวก็คงจะมีทาบุญประทายเข้าเปลือกด้วย สองงานบุญประทายข้าเปลือกนะี่ก็หลวงตานะ่ะเป็นผลตั้งขึ้นมาตั้งแต่ไปสร้างวัดป่าบ้านตาดพอท่านไปอยู่บ้านตาดก็คือเป็นประเพณีของพี่น้องลูกหลานศรัทธาญาติโยมตั้งแต่เก่าก่อนตั้งแต่ก่อนที่หลวงตาบวชนะนะั่นแหะเขาจะทําบุญประทายข้าเปลือกเป็นประยําพอหลวงตาไปอยู่ที่นั่นเขาก็จะทำเขาก็ทํา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 มาหาท่านแล้วก็ให้เหตุผลท่านก็ยอมรับจากนั้นก็มีการทำบุญปทายเข้าเปือกอุทิศสวนกุศลแต่ว่าก่อนรู้สึกว่าจิตยิ่งใหญ่กว่าทุกแห่งหนเวลาทำบุญปทายเข้าเปือกทีไรวัดป่าบ้านตาเนี่ยรู้สึกว่าข้าวเป็นหลายพันนะเป็นหลายพันถุงเป็นภูเขาเรลากอเลยละ่ะข้าว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 เป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าหากว่าเพื่อหวังพ้นทุกข์จริงๆก็ น, นั่งภาวนาไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมให้ดูใจของตอนเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละอันนั้นคือหลักจุดใหญ่ของพระพุทธศาสนาจุดใหญ่พระธรรมคำสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าเพร่อให้พวกเราให้รู้รู้จุดที่พูดใหฝ่ังทางนี้ทางนั้นอย่าไปถากหงพ่อพูดะโอ้สาคัญ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 นี่ก็เหมือนกันการสู้กับจิตใจของเราเราจะนั่งภาวนาเดินยังกรมเนี่ยมันยากมันฝืนยากแต่พอทำเข้าไปแล้วใจของเราสบายเออหายจากกิเลสราคะโทสะโมหะเราก็ควรจะลงทุนเหมือนกันนะควรจะทุ่มเทจุดนี้เพราะนั้นพวกเราได้ศึกษาแล้วการภาวนาทำอย่างไรเนี่ย พวกเราทุกๆคนนะจะตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรานะี่ยร้องรยไปทีละลชุดละชุดละชุดล ะ, ะ, ะองละองไปแต่ละปีเห็นก็น่าใจหายเหมือนกันนะจะทํำยังไงได้พอเกิดแก่เจ็บตายวันนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านอยู่นสถานที่ใดให้ตั้งใจพอหนาะหาทางพ้นทุก แนวตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้แนะนำสั่งสอนเอาไว้แล้วนะอัลพรในอนุนโมทนาให้พร